พูดถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาค พ, พระอานนุนมีวู่ยางสุดพนานายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระเทวทัตรร่วมกับพระเจ้าอชาติศัตรูวางแผนสังหารพระจอมุนีโดยการปล่อยช้างนาราคิลีซึ่งกำลังตกมัน และหมอมเหล่าเสีย16หม้อช้างนาราคยรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเชา้าพระพุทธองค์มีพระอ น, นุ์เป็นปัจชาสมณะเข้าสู่นครราชคลีเพื่อบินทบาทในขณะที่พระองค์กำลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแปลนของช้างนาราคิรีดังขึ้น ประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแต่กระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกราดพระพุทธองค์เหลียวมองซึ่งช้างใหญ่กำลังวิ่งมาด้วยอาการสงบพระอานนุ์พุทธอนุชาเดินล้ำมายืนเบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคด้วยคิดจะป้องกันชีวิตของพระาศาสดาด้วยชีวิตของท่านเอง ลีกไปเถิดอานนนอย่าป้องกันเราเลยพระาศาสดาตรัสอย่างปกติพระองค์ผู้เจริญพระอาณ น, นทูลชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดูมประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกประดุษโพและใสเป็นที่พึ่งของหมู่นกเหมือนน้ําเป็นที่พึ่งของหมู่ปลา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 อย่าเลยอานน์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตยรัตฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆขณะนั้นช้างนาราคีรีวิ่งมาจนจะถึงองค์พระจอมมนีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคน อกสันขวันหนีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุดดวงตะวัน พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลา ย, ยืดยาวนานหลายแสนชาติสร้างออกจากพระหรุไทยกระทบเข้ากับใจอันครุกอยู่ด้วยความมึนเมาของนาราคีรีช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระบนกระวายเพราะโมหะของมันสงบเย็นลง เหมือนไยน้อยกระทบกับอุทธกธาราพลันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงโคลบาทของพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์อันวิจิตซึ่งสำเร็จมาด้วยบุญญาธิการรูปศีรษะของพญาช้างพร้อมด้วยตรัสว่านาราคีรีเอยเธอถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานในชาตินี้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 นี่แลพุทธานุภาพประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาพระาศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมาก ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนด้วยโรคลมในพระอุทธรพระอานน์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคูด้วยมือของท่านเองแล้วน้อมนําเข้าไปถวายเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานน์เธอได้ยาคูมาจากไหน ข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าข่าอาโนนทําไมเธอจึงทําอย่างนี้เธอทําสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณนะเธอทราบมิใช่หรือว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทําไมเธอจึงมากมากถึงป่านนี้เอาไปเทเสียเถิดอานน์เราไม่รับยาคูของเธอหรอกพระอานน์คงก้มหน้านิ่ง ท่านมิได้ปริปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะสเสวยยาระบายพระอานนท์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชิวกะกมารพัทแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่า ขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสามวันพระอนุนกระทำตามนั้นได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีกหมอชีวะกะได้ปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยก้านอุบลสามก้านถวายให้พระผู้มีพระภาคสูตรดมมิชัยเสวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้ง ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโคทาราม น, นครกบิลพัทพระองค์เพิง่งทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นานท้าวมหานามะเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาหนักๆเช่นปัญหาว่ายานเกิดก่อนสมาธิหรือสมาธิเกิดก่อนยานท่านอนนท์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับพระหัตถ์เท้า มหานามะนำเสด็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสียเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับณนะนะครเวสาลีทรงประชวนนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาทนั้นจนหายพระอานนุทนทูลความในใจของท่านแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงประชวนอยู่นั้น ข้าพระองค์กลุ่มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไปด้วยความรู้สึกเหมือนว่าทิศทั้งหลายมืดมนแต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจักไม่ตรินิพานจนกว่าจะได้ประชุมสง์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอานนนีเองเป็นผู้ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้นับว่าเป็นแบบเครื่องแต่งกายเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทันสมัยเสมอเข้าได้ทุกการทุกงานครั้งหนึ่งท่านตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่ทักขิ น, นาคีรีชนบทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคตเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีคณาสั้นๆขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอนนุนว่าอานุนเธอจะทำจีวรแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ลองทำดูก่อนพระเจ้าข้าท่านทูลตอบต่อมาท่านได้ทำการตัดเจ็บจีวรแบบคณาของชาวมคธนั้นแล้วนำขึ้นทูลกล้าวถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณา พระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอา น, นุ์ออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอา น, นุนท่ามกลางสงว่าภิกษุทั้งหลายอา น, นุ์เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อดได้โดยทั่วถึง พูดถึงเรื่องประหยัดหรือใช้ของสิ่งของให้คุ้มค่าพระอานนท์ก็เป็นผู้ฉลาดและประหยัดในเรื่องนี้มากดังครั้งหนึ่งหลังพุทธปริปรนิพานท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโ ก, รโกสัมพีเพื่อประกาศลงพรมทันแก่พระชนะพระหัวดื้ตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาคขึ้นจากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพักณอุทยาน ของพระเจ้าอุเทน ร, ราชาแห่งนครนั้นขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่ณพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอานตน์มาก็ทรงโสมนัสทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอา น, นุ์สนทนาพอเป็นสัมโมทนียกถาแล้วพระอา น, นุ์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนัก พระนางได้ถวายจีวรจํานวนห้าร้อยผืนในเวลาต่อมาแด่พระอานนุ์พระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสีกลับทรงตําหนิท่านอาห น, นุนว่ารับจีวรไปทําไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอานนุนพระองค์จึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้า ทราบว่าพระเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้าห้าร้อยผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอาตมาภาพรับไว้ทั้งหมดพระอนนทุนพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าคล่ำคล้าจะเอาจีวรเก่าค่ำคล้าไปทำอะไร เอาไปทำเพดานจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าปูที่นอนจะเอาผ้าป um ูที่นอนเก่าไปทาอะไรเอาไปทำผ้าปูพื้นจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรจะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเอาไปทำผ้าเช็ดทุลีจะเอาผ้าเช็ดทุลีเก่าไปทำอะไร เอาไปโคลขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่าสมณะสักยบุตรเป็นผู้ประหยัดใช้ของไม่ให้เสียเปล่าจึงถวายจีวรแก่พระ อ, อ น, นุ์อีกห้าร้อยผืนพระ อ, อ น, นุ์นอกจากเป็นผู้กระตัญยูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วย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 เรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่านมากกว่าสิทธอิอื่นๆและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มาทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้เนื่องจากพระพิสุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆ จ, จึงนำจีวรที่อุปชายย์มอบให้ ไปแจกพิษุผู้ร่วมอุปชายะเดียวกันจนหมดสิน้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานนท์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วยพิษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระเจ้าข่าอคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือพิษุเมื่อพิษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทาเพราะเห็นแก่น้าหรืออคติหามีแต่อานนท์ไม่แต่ที่อนนท์ทาเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของสิทธิผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันบันดิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทน ในโอกาสอันควร